8สหธรรมิกล่าววักหมวดว่าด้วยผู้ร่วมประพฤติธรรม 1. สหธรรมิกลสิกขาบทว่าด้วยการกล่าวตักเตือนผู้ร่วมประพฤติธรรมโดยชอบธรรมเรื่องพระช น, นะ43่สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณโคสิตารามเขตกรุงโกสัมพีครั้งนั้นท่านพระช น, นะประพฤติไม่สมควรภิกษุทั้งหลายกล่าวอย่างนี้ว่า ท่านชนะอย่าได้กระทําอย่างนี้การกระทําอย่างนี้ไม่สมควรท่านชนะอย่าได้กระทําอย่างนี้การกระทรําอย่างนี้ไม่สมควรท่านพระชนะนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายกระผมจะยังไม่ศึกษาในสิกขาบทนี้จนกว่าจะได้สอบถามภิกษุรูปอื่นผู้ฉลาดผู้เป็นพระวินัยทรบรรดาภิกษุผู้มักน้อยพากันตำหนิประนามพลท น, นาว่า